ต่อนนี้ไปเพ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีความสำรวมนี่แหละเป็นความดีเบื้องต้นบุคคลสำรวมจิตของตนไม่เป็นก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเพราะจิตดีก็ดีชั่วก็ดีจเจริญขึ้นก็ดีเสื่อมลงก็ดีมันมีจิตเป็นผู้ดำเนินงานเป็นผูแออแน้แสดงออกซึ่งความเสื่อมและความเจริญแสดงออกซึ่งความ หนักแน่นหรือความเลวไหลันนี้มันอยู่ที่จิตนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้ปากันพิจารณาให้เห็นความสำพั์ของการฝึกจิตถ้าเราไม่ฝึกในชาตินี้มันก็จะตกต่ำไปจิต นี่ไงก็ะจะไม่พ้นจากบาปกรรมไปได้อย่าว่าจะจะพ้นจากกิเลสอันอื่นเลยเรื่องบาปกรรมเนี่ยสำคัญนะถ้าจิตตกต่ำลงไปแล้วมันไม่กลัวบาปนี่มันทำบาปได้คนเรานี่เป็นอย่างนั้นถ้าฝึ ก, กจิตนี่ให้สูงขึ้นไว มีคุณธรรมมันสูงอยู่อย่างนี้มันไม่ทำชั่วคนเราน่พระธรรมนั่นแหละหากเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้จักว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระธรรมที่เราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั่นแหละหากบอก พระธรรมก็คือฮิริโอตตปะธรรมความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทางในที่รับและในที่แจ้งในที่รับก็ไม่ทำเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนทำชั่วหรือมิถันกับผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย ย่อมรู้ย่อมเห็นเราทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วเกิดละอายใจขึ้นมาไม่กล้าทำชั่วกลัวความชั่วที่ทำนั้นจกอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในการต่อไปข้างหน้าในคุณธรรมสองอย่างนี้ ต้องให้มีเป็นประจําอยู่ในใจเลยแล้การที่ลอยจิตให้เลื่อนลอยไปในเรื่องรักเรื่องชังวันนี้มันก็ร่นแต่มันไม่มีใหด้โอตประธรรมอยู่ในใจมันยึงเพลินคิดไปทั่วตัวเป็นมนุษย์หรือว่าตัวเป็นสมณะ ลืมความเป็นตรรมนาของตนเสียเลยลืมความเป็นมนุษย์ของตนเห็นไปคิดเบียดเบียนอิจฉาเนเชียาคนอื่นอย่างนี้นะนึกไปคิดผูกพันกับบุคคลที่ไม่ควรผูกพันด้วยความรักความใคร่ถ้าเป็นครือ้อฮัตก็เดียวไปผูกพันกับ เมียคนอื่นพวะคนอื่นในในทางรักทางใคร่นั่นไม่สมควรเลยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนชอบชอบใจต่างๆโมนี้ก็ไม่สมควรแก่สมณะเพศเพราะเป็นสมณะเพศนี่ ต้องละอารมณ์เหล่านั้นมันจึงเป็นสมณะได้แปลว่าผู้สงบหมายเอาจิตใจที่สงบจากอารมณ์ทั้งห้านั้นแหละจากนั้นจึงต้องรักษาจิตนี่ไว้โดยนึกถึงคุณธรรมสองอย่างนั่นเสม อ, อมการนึกคิดไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายเราเป็นวันพระชิตนี้ อย่างนีมันเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวได้คนเรานะ่ะมันภาชิดนี่ต้องละกามอารมณ์นะจึงเป็นพระได้ตามคำโคงข้อนี้นะงนั้นไงใหพึงเข้าใจว่นี้ผู้จะมีความสุขในขั้นใดๆก็เพราะทำการทำงานกลากกรรมลำบากก็ อ, อดทนต่อคำลำบากต่างๆ เช่นนั้นก็ถึงจะได้รับสมบัติมาใช้มาจ่ายมาบริโภคใช้สอยทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเนื่อท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะมีความสุขต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนพูดถึงความสุขทาง จ, จิตใจถ้าไม่อดทนนั่งสมาธิภาวนา ไม่เพ่งใจในให้เข้าถึงความสงบก็ไม่พบกับความสุขที่แท้จริงนี่ทุกอย่างมันต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นเลยนะมันถึงเปลี่ยนไปได้ถ้าขาดความอดทนไปแล้วความเพียนมันก็ถอยมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะภากเพียนพยายามมันเปลี่ยงงันอีกใจหนึ่ง ขาดปัญญาเสียแล้วมันก็ไม่ยอมอดยอมทนเพราะมันมองไม่เห็นเหตุผลที่ตนกระทํานั้นว่ามันจะมีดีอย่างไรมันจะนําความสุขมาให้แก่ตนได้อย่างไรมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่ลงทุนอดทนอดกัน้นมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายยังวนอยู่ที่ปัญญา ปัญญามองเห็นเหตุผลเช่นอย่างการนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่าเรากำลังแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารงานความสุขอันเป็นแก่นสารบุคคลจะได้นั่นต้องอาศัยการทำจิตให้สงบอย่างเดียวไม่ได้ด้วยอย่างอื่น คิดสงบจากกิเลสตัณหาแล้วก็มีความสุขยั่งยืนเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงความสุขเล็กน้อยความสุขพอประมาณนั่นนะ่ะยังจะต้องการอยู่หรืออืมแน่นอนแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วไม่ต้องการความสุขชั่วคราวเพราะว่า เมื่อได้รับความสุขไปหน่อยหนึ่งแล้วความทุกข์ขึ้นมาทับถมเอามันก็ไม่เป็นที่พอใจในของผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าได้มีความสุขก็อยากจะให้มีความสุขสม่าเสมอเรื่อยไปไม่ต้องการให้ความทุกข์มาแทรกแทงในจิตใจนี้ดังนั้นเมื่อปัญญาอ่นสอดส่องมองเห็นเหตุผล ดังกล่าวมานี่นะ่ะมันถึงพอใจในการทําความเพียรพยายาม ท, ทําจิตตีพุ่งศาลเลือนลอยนั้นให้เข้าถึงความสงบทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหลือวิสัยมันอยู่ในวิสัยแห่งความเพียรถ้าบุคคลไม่เพียรแล้วความดีน้อยหนึ่งก็ไม่เกิดอยากเข้าใจว่าอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปแล้ว บุญกุศลหรือความดีมันจะเกิดขึ้นให้เองไม่มีทางต้องเกิดจากการประยคกพยายามโดยแท้ถ้าจะว่าถึงจะเื้องต้นมาการให้ทานอย่างนี้นะเมื่อบคุคคลไม่มีความอดความเพียรทำการทำงานไม่ได้เงินทองเข้าของมานี่มันก็ให้ทานไม่ได้เพราะมันไม่มี ไม่มีพ่อะตนไม่แสวงหาตนเกียดข้านไม่อดไม่ทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนต่อลมพันก็ทานาทาสวนไม่ได้ทำงานการก่อสร้างอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยมันเป็นยังไงฉะนั้นต้องเอาทุกเป็นทุนอดกั้นทนทานต่อหนาวต่อร้อนต่อ ทนต่อแดดต่อสัตว์เหลือบยุงบุ่งลิ้นต่างๆวันนี้นะไม่กลัวนะต้องอดทนนะลงทุนให้มันกัดกินไปบ้างถ้ากลัวภัยธรรมชาติเหล่านี้อยู่ทำงานไม่ได้เลยมเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินเท่านั้นเองคนเราเมื่อไม่มี เงินก็ไม่มีอะไรจะมาจับจ่ายเลี้ยงครอบครัวให้เป็นทุกข์ไม่ไม่มีวัตถุทยรธานอะไรที่จะไปบริจาคทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทำไม่ได้นี่ลองคิดดูคนเราถะเกียดข้านซะแล้วไม่ยอมเอาทุก์เป็นทุนทำการทำงานแล้วมันเสียไปหมด คุณความดีทั้งในปัจจุบันก็ไม่มีทั้งเผื่ออนาคตเบื้องหน้าก็ไม่มีเลยทั้งไม่เป็นอุปนิสัยให้บรรลุถึงปัตติถงปนานิพานยังต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายสวยทุกทรมานอยู่ในโลกนี้เพราะกรรมชั่วที่ตัวทำไปนานแสนนานกว่าจะรู้ตัวก็เพราะว่า คนเราเมื่อขาดนิริตอตประธรรมแล้วมันก็ทําความชั่วได้ทุกอย่างไปเลยความดีทําไม่ได้อืมเมื่อเฟนเช น, นี้จะไม่ไปสู่ทุกขสิมันจะได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องไปกันแหละอืคนมีปัญญาทั้งหลายนั่นเขาเกลียดต่อความชั่วพยายามเว้นจากความันชั่วเกลียดต่อ สิงที่ทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเกลียดต่ออารมณ์ที่ทำใจใเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ชอบเลยเมื่อไม่ชอบอย่างนั้นมันก็กำหนดละแล้วก็สํารวมจิตของตนระวังไม่ให้จิตไปหลงยึดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่งตางๆการรักษานิลก็เหมือนกัน เมื่อบุคคลไม่อดไม่ทนต่อความยากลาบากในการรักษาศีลนี่มันก็รักษาศีลไม่ได้เพราะการรักษาศีลนี่มันจะไปขัดต่ออาชีพบางสิ่งบางอย่างของคนที่ทำกันมาตั้งแต่บรโบราณสืบทอดกันมาเช่นการ ฆ่าสัตว์ประิตมาเลี้ยงที่เลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างนี้นะบางคนก็มีนิสัยเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอาชีพอื่นไม่มีปัญญาที่จะไปทำหาอาชีพอื่นได้อันนี้ก็เที่ยวแต่ลักแต่ขโมยแต่ช่อแต่โกงเอาสมบัติพวกอื่นมาเลี้ยงตัวเลี้ยงเลี้ยงครอบครัว ไปแค่ น, นี้นะนั่นแหละบางคนก็มีนิสัยบางคนเจ้าชู้เมียาหลายใจมีความรักหลายใจภรรยาหรือสามีของคนมีอยู่ไม่พอใจไปลิสร้างความรักกับเมียหรือผัวคนอื่นขึ้นมาใหม่อี หรือว่ากับหญิงอื่นใช้อื่นหมู่นี้นะมันก็รั้วนตั้งแต่ความเป็นผู้อดทนตอ่อกิเลสตัณหาเหล่านี้ทั้งนั้นแหละทำให้ศีลมันขาดไปนะการพูดการจา ก, ก็เหมือนกันอาศัยตัณหาโมหะครอบงำจิตใจแล้วก็พูด ไปจนไม่มีสถานีเหมือนอย่างโบราณท่านกล่าวว่ากินสมอยากปากสมเครียดมันไม่ดีลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าไปกินสมอยากอย่าปากสมเครียดเมื่อเวลามันหิวจัดๆมานะไปกินเอาซะเต็มที่ไฟทาตมันย่อยไม่ไหวทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อ ปวดท้องได้รับความลำบากบุคคลปากเวลาโกรธใครมาเครียดใครมาอย่างนี้ก็พูดออกไปไม่มียับยั้งเลยว่าคำหยาบรลนให้เขาทำยังไงเขาจะเจ็บใจมากหาสรรหาเอาคำพูดมาพูดลงไปวันนี้ทำให้คนอื่นเจ็บใจอย่างรุนแรง กระทนไปไหวก็ตอบโต้กันลงมือประหัดประหารกันเพราะการกล่าววาจาเสียบแทงกันนี่เยอะแยะเลยทีเดียวอย่าไปว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องการพูดจานี่นะมันท่านถึงเรียกว่าโอทภัย น, นั่นนี่ภัยเกิดจากปากนี่สำคัญมากเหมือนกันนะ ก็เมื่อเมื่อไปสัมรวมในศีนไไนนนลมไม่อดไม่ทนสัมรวมในศีลแล้วมันก็อดไม่อดไม่ทนสัมรวมในปากเจ้าของเช่นเดียวกันนั่นแหละอดไม่ทนความประพฤติทางกายการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโร อ, อีนก็เหมือนกันนะบุคคลเว้นไม้ใดก็ว่าไม่อดไม่ทนนั่นเองอืม ไม่เอาความอดเป็นทุนนไม่เอาความทุกข์เป็นทุนนะไอ้ผู้ที่จะออกจากของเสพติดต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าผู้ใดได้เสพมาแล้วได้ติดมาแล้วมันก็ต้องอดต้องทนนะไม่คิดถามันไม่อยากมันอ่อย่างนี้แล้วก็สมัยทวันนี้เขามียามันกันนะ มียาออกเห็นอยู่ที่วัดอริยบัณฑ์นี่ก็มียามเหมือน ก, กันมีคนเข้ามาขอกินนี่หลายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทราบแล้วอย่างนี้ปรารถนาอยากจะออกจากของเสพติดเหล่านี้เนี่ยก็ให้ตรงมาที่วัดอริยบัณฑ์นี้คงไม่ผิดหวังแน่ อันนี้แหละบุคคลจะมีสินห้าประการนี้ได้ก็เพราะอาศัยความอดทนแม้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากอย่างไรก็อดกั้นทนทานเอาความอดนี้ย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ถึงตายเมื่อบุคคลมาอดมาทน ละเว้นกรรมทั่วเหล่านี้นะไม่ถึงตายไม่ตายแน่นอนทีเดียวแต่คนเราใจเสาะพอมันความอยากอันนี้มันเกิดขึ้นทับถมจิตใจหน่หนึ่งไม่อดไม่ทนต่กความอยากนั้นเลยใจอ่อนพับไปตามความอยากถูกความอยากมันจูงไป ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนานาอยู่ในโลกนี้ก็กเพราะขาดความอดทนอดกั้นต่ออำนาจปลายตำดังกล่าวมานั้นดังนั้นคำโคงที่ท่านว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกขเป็นทุนก่อนเนี่ยก็โค้งกันข้ามเมื่อบุคคลไม่เอาทุกเป็นทนอดกั้น ในการละความชั่วทำความดีอย่างวันนั้นผู้นั้นก็ไม่ได้ประสบกับความสุขอันเป็นแก่นเป็นสารก็ได้ประสบกับความทุกข์แทนความสุขไปเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะั่นฉะนั้นผู้จะเป็นพระเป็นเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามสัมรวมจิตใ จ, จเจริญพระกรรมฐานซึ่ง เป็นปฏิปักต่อราคะตัณหาอันนั้นอยู่ไว้บ่อยอย่างว่านั่นแหละกรมารมนันเป็นข้าศึกแก่ความสงบของจิตใจโดยตรงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผู้ใดเป็นนักบวชนี่นะยังมีความกำหนัดอยู่ในใจอย่างรุนแรง เช่นนี้ก็เป็นพระได้แต่โดยสมมติเทเรนี้จะเป็นพ ร, พระโดยคุณธรรมนั้นไม่ได้เลยนั่นแหละพระแปลว่าผู้มีความปรบพฤติอันประเสริฐนี่นะคำว่าพระมันเป็นอย่างนั้นบารีผู้จะมีความได้นามว่าเป็นผู้มีความปรพฤ้นอันประเสริฐ ก็ต้องละความชั่วตั้งแต่เบื้องต้นวินัไปก่อนได้ตั้งแต่ฆ่าสัตว์สัตว์ประพฤติผิดในกาลกาวมุสาวาดดื่มชุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อละความชั่วในขั้นนี้ได้แล้วก็พยายามละความชั่วในขั้นสูงขึ้นไปเช่นความรักความใคร่ดังกล่าวมานั่นแหละ ให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจแพ่งอสุภะกรรมฐานเป็นอารมณ์อยู่เสมออย่าไปลืมข้อนี้นะ่ะไอ้ผู้ที่รู้ตัวอยู่ว่าราคาตันหาในหัวใจของตนยังมีอยู่มากมายอย่างนี้นะมันต้องยืนเดินนั่งนอนก็เพ่งอสุภะอยู่งั้นให้เห็นร่างกายนี้เป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียด มีกลิ่นก็เม็ดมีสีก็ไม่งามอยู่อย่างนั้นเสมอเสมอเนี่ยราคะตัณหามันจะครอบงำจิตไม่ได้ให้พึงเข้าใจเพราะคำว่าความรักความใคร่ในที่นี่น่ะหมายเอาจิตที่มันรักมันใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสที่โลกเขาสมมุติว่าสวยว่างาม นั่นแหละก็มนุษย์เรามันหลงนี่ของไม่งามมันก็สมมุติกันว่าสวยงามว่า น, นี่ผู้เป็นนักบวชก็ไปหลงสมมุติของโลกเขาแทนที่ตนบวชมาแล้วตนจะละสมมุติเหล่านั้นก็ไม่ละก็ะสมมุติป้าเอาแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามความจริงน่ะเป็นอย่างนั้น มีอุบายเย็บคายสอนใจของตัวเองอย่างนี้มันถึงจะละการมารุมต่างๆได้พร้อมทั้งทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนเรื่องเรื่องนอนนี่แหละเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องทําให้คนเราขาดปัญญาไม่มีปัญญาจะสอนใจตัวเองงัวแต่นอนอืมอย่างนี้ เมื่อจิตนี่ไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนแล้วมันก็ตกไปสู่อำนาจของราคะโธตามโมหานั่นเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอ่ะอย่าพากันเห็นแก่ลบแก่นอนต้องนอนพอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรบ่อยๆมันถึงจะทำให้ ราคะราคะตัณหาอันนี้น้อยเบาวางอภปจากขิตใจได้การขบการฉันการกินก็พอประมาณผู้ใดกิเลสหลายอยู่เนี่ยแต่กินมากๆเขามันก็ยิ่งหลายขึ้นกิเลสราคะตัณหามันเป็นอย่างนั้นผู้ใดกิเลตัณหา้อยเบาวางไปแล้ว ถึงยะกินมากมันก็ไม่มีภัยอะไรนี่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจมันยังช้างม้าโ boa ไก่ที่มันหึกเขมมากมันคึกขนองเกินประมาณมันจะชนผู้ชนคนไปมันจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยกันเจ้าของมันก็ต้องให้กินยากกินน้ำแต่น้อยไม่ให้กินมาก ตัดถอนกาลังที่มันแข็งแรงมันหึกเหิมนั่นลงเมื่อกําลังมันอ่อนลงแล้วความดุร้ายมันก็เบาลงสัดต่างๆนะมันก็ไม่ดุร้ายมากนี่คนก็เหมือนกันแหละไม่มีแปลกต่างกันเท่าไหรนะ่นักเรื่องหมดนี้นะเรื่องกิเลสตัณหาแล้วแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอะ ทุกคนต้องให้รู้ตัวเมื่อเรารักตนนะประถนาจะให้ตนมีความสุขอันยั่งยืนเนะ่ยมันก็ต้องรู้จักสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสุขความสงบอย่างว่านั่นให้รู้จักสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างว่านี่แหละมันก็ไม่ได้พบสักทีเลยความสุขอันเป็นแก่นสารนะั่นนะมก็พบพบแต่ความสุขทั่วคราว แล้วก็พบแต่ความทุกข์เป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้พึงผ่าเกียนพยายามจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจำไว้ภาถาหมดนี้นะจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมบุคคลจะร่ำรวย ม, มั่งมีเงินทองเข้าของได้ ต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปอาศัยเวลาเมื่อเก็บเล็กผสมน้อยนานเข้มก็หลายขึ้นหลายขึ้นนี่แล้วมันก็มากอยู่ในตัวมันนี่สําหรับผู้ที่บุญกุศลน้นหลังไม่มากนะมันไม่หนุนส่งจะให้ได้เงินทองมาอย่างมากม า, กายไก่กองทีเดียวออย่างนั้นนะมันอาศัยบุญ ผลหลังนู่นมากมันมาส่งผลให้มันถึงได้เงินทองเข้าของมาออกมาอย่างนั้นถ้าบุญกุศลตอ น, ห, นหลังมันน้อยไปอย่างนี้นะมันจะมาหนุนส่งให้ร่ำไม่รวยโดยรวดเร็วอย่างนั้นไม่ได้เลยชาวพุทธเรามันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้ไปเชื่ออย่างอื่นไม่ถูกทาง บุคคลไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลแห่งกรรมอย่างว่าใ่มันทำชั่วยอยู่ในโลกนี้นะเมื่อตอนหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาแล้ววันนี้เอาตรงหาในทางสุจริตเราจะไม่ยอมอดตายเพราะว่าอย่างนี้แหละเพณนนทีคนเราได้ทำบาปเนละแต่ถ้าหากว่าบุคคลมารู้ตัวว่าการทำกรรมชั่วหล่รนั้น มันจะนำมาซึ่งความสุขนซึ่งซึ่งความทุกข์ทั้งในปัจจุบันในเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วตนไม่ต้องการความทุกข์มันก็ไม่ทำก็อดทนเอาอดก้อนกินเกลือไปหาเอาทางสุจริตได้มาเท่าไหร่เราก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทำบาป ม, มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรานะ จะเป็นถุ ก, กเพราะเอาทุกเป็นทุนก่อนโดยอาธาิบายดังกล่าวานี้เพราะฉะนั้นทนสรุปสุดท้ายอันใจจะสงบระ ง, งับลงเป็นสมาธิได้กเพราะอาศัยอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจไม่หวนไห้ไปตามมันอดทนและอดกั้นแล้วเพ่ง อยู่ภายในความอดทนเป็นตะปะธรรมนะเผากิเลสในหัวใจนั้นให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจได้ไม่มากกว่าน้อยผู้ดใดอดทนมากก็เขากิเลสได้มากเท่านั้นแหละดังนั้นขอให้พากันอดทนการทำสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาท ก็จะเป็นไปดังความมุ่งหมายทุกอย่างทุกประการดังกล่าวมา